ก่อนแนะนําสั่งสอนพระสงค์ในเมื่อพระสงค์ได้รับพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มาเผยแผ่ให้สิทธิญานุสิทธิ์ฟังเมื่อสิทธิญานุสิทธิ์ได้ฟังก็อเอามาเผยแผ่ต่อต่อกันมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนี่แหละต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านได้ยินได้ฟัง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 ยกตัวอย่างใกล้ๆ ก, กับอย่างหลวงปู่เสาอย่างเนี้ยหลวงปู่เสาท่านมาได้เทศอะไรมากพูดน้อยแต่ว่าท่านทาให้ดูแต่มาองค์หลวงปู่มั่นท่านมีเชาการแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนนั้นปาดเปลืองฉเฉลียวฉลาดเป็นปราชญเป็นมหาปรัชญาท่านสรุปแล้วก็คือเฉา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 ใครมีอายุมากกว่ากันคือใครเกิดก่อนกันไม่มีใครรู้แต่นี้ก็ถามกันคืนว่าต้นไสตต้นเนี้ยที่พวกเราเกาะ อ, อยู่นี่น่ะใครรู้ว่าสมัยนั้นใหญ่ขนาดไหนนกกรทาก็บอกว่าต้นไสตตัว น, นี้น่ะข้าไปกินต้นไซตต้นนู้นน่ะมาก็เลยมาถายลาดตรงนี้ ข้าจำได้ไซตตัวนั้นอ่ะแถวนี้ไม่มีนะแต่ข้าได้ไปกินตุนโน้นมาถ่ายอยู่แถวเนี้ยมาเขี่ยวหากินอแถวนี้มันจึงใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เลิงก็บอกว่าสมัยข้าเป็นลิงเน่ะตุนไสตตัวนี้ข้าได้แนะคอกัดกินยอดของมัดใช้ข้าว่านั่งนั้นไปกัดกินยอดของตุนไสตแต่นี่ช้างก็บอกว่า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 ไปปฏิสนที่ไปหารถคันใหม่มาใช้อีกนี่หละจุดนี่หละที่ว่าคนไปหารถคันใหม่นี่แะแต่ถ้าว่าคนไปหารถคันใหม่มีทุนคือได้สร้างบุญเอาไว้มีทุนนัพย์เมื่อเราได้ปิกอัพในชาตินี้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้หามีแตขี่รถกินเหล้าเมายาสมเมลเทเมา